أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أردنا أن نتخذ ل ه و ا لو أردنا أن نتخذ ل ه و ا لا تقدنا من ل د و ا ถ้ ن ข้ออื่นหุ่มหลับหนาอย่างนัَ้ก็ไม่เป็นไ ไฟดมมัวห์ไฟละหัวจ่าฮิควาลักมุละลาห في السماوات والأرض، ومن عينه لا ي س ت ب ر و ن عن عبادتي، و َ م َ ن فِي ا ل َْ ر ِ ن َ ع َ ن ع ِ ب َ ا د َ ت ِ وَلَا ي َ س ْ ت َ ح ِْ ر ُ و ن َ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أمتخذوا آلهة من الأرض. أمتخذوا آلهة من الأرض.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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب, ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلا كن نشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دين วบิมูฮัมมัดอิลลัสโวละอัลลอฮุมฉันนี้อาอุบุคจากอัลคัลล์วสอิลคิบรีรับบิอาอุบุคจากอาดับม์ในนาร์แะอาดับม์ใลควบรีซุลามุอะลัยกุมะรห์มัตุลลอฮฺวบรากะตุที่น้องที่ร่วมน้ำพระทศพที่รักตั้งหลายคับขอขอบคุณอัลลอฮฺให้กล่าวว่าอย่างนี้ a l ล a h u m m a lakal hamdu walakashukr แปลว่าการขอบคุณทั้งหลายและการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นของอัลลอ์วาคำนี้แหละเป็นคาที่อัลลอ์ต้องการให้บ่าวของอัลลอ์ทุกคนกล่าว a ลล h a m d u w a ล a ด บทสุดท้ายที่พุมอ่านให้พี่น้องฟังก็คือว่าอัลลอฮ์มิอินนีเอาซูบิกามินัลกัสสลโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี <c oughs> ้เกียดอัลกัสสลแปว่าขี้เกียดไม่ดีนะขี้เกียดนี่ไม่ดีนะครับว่าเอาซูบิกามินซูอิลกิบาริขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากผู้ที่มีอายุเยอะ ผู้ที่เป็นสวทั้งหลายเนี่ยเป็นต้องเป็นสวแบบที่สู้ไม่มีหลงหลงลืมลืมเราขอเลยนะต้องขอทุกคนต้องขอนะต้องมีอายุเยอะๆเนี่ยเพราะคนแก่เนี่ยบางทีหลงบ้างลืมบ้างคนนั่นตวายคนนี้ดุบ้างฉะนั้นเราขอมาต่อลรองอย่าให้คนแก่ชราที่มีอายุเยอะๆแล้วก็หลงหลงลืมลืมเราขอเอาไว้ ว่าเอายุบิกัดฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกเอ่ยไฟยนรกก่อนตามด้วยขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากการทรมานที่สุสานเพราะสุสานเนี่ยเบากว่าโลกอาคราอัล hamdulillah เราขอบคุณอัลลอ์นะที่มาอ่านอัลกุร อ, า น, อานนะครับขอบคุณอัลลอฮ์เราอ่านอัลกุรอาน สม่ำเสมออาทิตย์ละหนึ่งครั้งหาอายะซี่อายะนะแล้วก็หาความรู้จากอัลกุรอานซึ่งอัลลอฮ์สั่งแล้วเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลานมาสุบบอเสร็จนี่ละดีที่สุดนะครับให้สายตาของเราเนี่ยจ้องมองที่อัลกุรอานทําให้สายตาดีสองจ้องมองใบตุลโลบ้านของอัลลอฮ์ที่นครมักกะ สจ้องดูหน้าพ่อแม่จ้องหน้าพ่อแม่เนี่ยทำให้สายตาดีทำให้ดีหมดหัวใจก็ดีอะไรก็ดีนี่ต้องการจะให้ลูกกับพ่อเนี่ยให้ลูกๆเนี่ยเคารพให้เกียรติพ่อเนี่ยอลัลลอฮสั่งเลยนะนบีสั่งนะมองสีเขียวๆ เ, เนี่ยต้นไม้มองชั้นฟ้ามองจ้องไปที่น้ำทะเล แล้วก็เดินผ่านกูโบนั่งจ้องมองที่กูโบด้วยแล้วก็อ่านดวอาอัลละมออะไลกุมอัลลัดดียร in ์มินนลมูมีน um ีนวัลมุสลิมีนว่าอินน่าอินชาอัลลอฮฺอุบิกุมลาฮิหิคุน้อน่นางกูโบไม่มีอะไรหรอกมีแต่ลุมอะไรนะนูนๆขึ้นมาแล้วก็มีไม้สองอันอยู่นั่นละสอนให้เรานึกอะไรเยอะไปมองหนะ้าผู้หญิงสวยๆนึกอะไรมันก็นึกอีกอย่างนึง มองกูโบ่ก็นึกอีกอย่างหนึ่งนางน้องพ่อแม่ก็นึกอีกอย่างนึงมองไปตุวล้อก็นึกอีอย่างหนึ่งดีทั้งหมดนะครับแต่ไปมองผู้หญิงกับมองผู้ชายเนี่ยนึกอีกอย่างหนึ่งนึกอย่างอย่างที่เรานึกเกิดบางทีทำต้องทําต้องทำสีหนาเอาสุบินลาบินดาลิกอายาสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีอยู่อายาหนึ่งอธิบายยังไม่หมด ว่ามา خلق นั้นสมเอวและเริอและที่อยู่ในระหว่างทั้งสองอย่างเล่น ให้ความรู้กับเราเยอะมากเลยนะพูดสันส้นๆแต่กินความหมายเยอะมากเอาล่ะว่าฉันไม่ได้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินต้องการจะบอกว่าชั้นฟ้ากับแผ่นดิน ใ, นใครสร้างก่อนรำมอจากคุรานี้ชั้นฟ้ามาก่อนเพราะเออยก่อนเออยอะไรก่อน่ะเออยชั้นฟ้าก่อนก็แสดงว่าสร้างชั้นฟ้าก่อนมาทิศที่แรกอธิบายว่าชั้นฟ้ามีทั้งหมดกี่รายการนะิประการ ให้เราใช้ปัญญาซึ่งเอามาจากคุรานทั้งหมดแล้วก็วันอับอแล้วก็สร้างแผ่นดินวามาไบานะฮูามาและในระหว่างทั้งสองชั้นฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยอย่างเล่นเล่นโอ้เขาว่าอย่างเล่นเล่นเนี่ยไม่ใช่สร้างมาไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดประสงค์ไม่ใช่ทีนี้มาครั้งที่แล้วอธิบายเรงชั้นฟ้าวันนี้อธิบายเรื่องแผ่นดินมีทั้งหมดก็ส0สิบรายการเหมือนกันนะ น้องก็ฟังได้ความรู้หนึ่งแผ่นดินเนี่ยถูกสร้างมาหลังจากชั้นฟ้าคือสร้างชั้นฟ้าก่อนแล้วก็แผ่นดินที่หลังทเรียนวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อธิบายเลยเมื่อก่อนแผ่นดินกับชั้นฟ้าเนี่ยอยู่รวมกันเป็นไรเป็นเป็นุคอเป็นสโมกฟานาัปนาบูมาอลัลลอได้แยกสองรายการเนี่ยแยกออกจากกันเป็นสองสร้าง ชั้นฟ้าก่อนแล้วก็แผ่นดินที่หลังโลกใบนี้ที่หลังเห็นยังครับอัลลอฮ์อยู่นการพริกรรารทั้งหมดฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินขึ้นมาเล่นๆ น, นะเพื่อให้มนุษย์ใช้ปัญญานะครับข้อที่สองแผ่นดินนี้แล้วก็ชั้นฟ้าเนี่ยถูกสร้างมาในระยะเวลาเนี่ยคว่าห ก, หกระยะก็มีสองระยะมีสี่ระยะมี แล้วก็มีแรงถ่วงด้วยนักอรานทั้งหมดข้อที่สามแผ่นดินนี่หมุนรอบตัวเองโลกมัหมุนรอบตัวเองอัลลอฮฺอักบะรข้อที่สีแผ่นดินนี้เป็นมรดกของอัลลอ์เป็นของอัลลอ์นะแต่พูดว่าเป็นมรดกของอัลลอฮ์แผ่นดินนี้กว้างไพศาลอัลลอฮฺอักบะรจริงไหมจริงครับ ข้อที่ห้าแผ่นดินนี้เปลี่ยนใหม่ในวันบรโลกนี่เปลี่ยนใหม่นะออลลอฮฺอักบัาขอจ้องดูกันต่อไปข้อที่หกแผ่นดินนี้เป็นอู่หรือเป็นที่อยู่ของมนุษย์ฉะนัันมนุษย์จะอยู่ที่ไหนไม่ดีถ้าก็อยู่บนโลกใบนี้ไม่ต้องพาออกซิเจนออลลอฮฺอักบันี่คิดแดีนะใครที่จะ จะหาที่อยู่ใหม่ในดาวนู่นดาวนี้ก็หาไปแต่ผลสุดท้ายที่อยู่ที่ถาวรที่สุดก็คือที่แผ่นดินตรงนี้แหละเป็นอู่ของมนุษย์ข้อที่เจ็ดแผ่นดินนี้มีเครื่องยังชีพพระฤากีมากมายริสกีนี่นะอลัลลอฮ์ให้เพิ่มอยู่ตลอดเวลานะให้เพิ่มตลอดเวลาเลยเอลัลลอฮ์สัญญา ย, ยางนี้ถ้าหากว่าคนที่อยู่บนโลก บุญญาใบนี้บนหน้าแผ่นดินนี้มีมีสองอย่างนะอาห์มนูวัตตะเกวมีอีมานแล้วก็มีตักวาอัลลอฮ์จะให้ชั้นฟ้าเนี่ยตกลงมาเนี่ยนะอัลลอฮฺอักบัตมีบราระกัดน้ําให้ตกลงมาน้ําฝนนี่แหละตกมามีบราระก้าเราไม่รู้อัลลอฮ์ให้บราระก้าอะไรตามองไม่เห็นด้วยแล้วก็แผ่นดินนี้อัลลอฮฺอักบัตมีบีบาระกัดเยอะแยะไปหมดนะ นียมนี้ประเทศซูดานอาลัลลอ์มีทองเต็มมดเลยเพราะัเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตรงนั้นยังไม่ได้ทำชั่วอะไรมากมายอาลัลลอ์ก็ให้ริสกีที่เป็นน้ำมันที่เป็นทองเต็มไปหมดทำอยู่เลละแผ่นดินเมืองไทยนี่ก็คงจะให้น้อยหน่อยเพราะพวกเราันก็อร่อยกันทั้งนั้นนะนะข้อที่แปดคน กนนเกิดแล้วก็ตายบนแผ่นดินนี้แเลยเกิดแล้วก็ตายบนแผ่นดินนี้ถาวนที่อัลลอฮฺสร้างมานี่นี่ได้ได้ได้ข้อคิดเนี่ยใช่ไหมข้อที่ข้อที่เก้าอัลลอฮฺปกครองแผ่นดินเราดูแลแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์ปกครองอำนาจอัลลอฮฺให้กับคนนี้ให้กับคนนี้ให้คนนี้ให้เป็นกษัตริย์ให้เป็นประธานาธิบดีให้เป็นนายกัปตัรัฐมนตรีให้อำนาจ แล้วก็ดู อ, อำนาจที่มีอยู่เอาไปใช้ในทางที่ผิดหรืออาทางในทางในทางที่ถูกแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ให้รางวัลตอบแทนอัลลอฮฺว่าข้อที่สิบอแผ่นดินนี้อัลลอฮฺให้งอกเงยพืชผลแก่มนุษย์ใช่ไม่ใช่ริสกีได้จากแผ่นดินนี้ทั้งหมดผลไม้ ก, ก็ได้จากแผ่นนี้ข้าวก็แผ่นดินนี้น้ำมันก็แผ่นดินนี้อัลลอฮฺจากแผ่นดินนี้ทั้งหมดริสกีมาจากอัลลอฮฺ ข้อที่12บความเสียหายระบาดก็บนหน้าแผ่นดินนี่แหละใช่หรือไม่ใช่ข้อที่13บาอิก า, อาสอนอีกาคุยดินเพื่อแสดงวิธีการฝังศพต้องการจะบอกว่าศพหลุมแรกเอาล่อให้อีกามาสอนว่าวิธีจะฝังคนเนี่ยให้ฝังยังไงขุดหลุมยังไงคนมันยังไม่รู้พอกอบินกับฮาบินเนี่ยเป็นคน ฆ่าครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้ฉะนั้นใครที่ฆ่าเหมือนกอบินกับกับนะกับฮาบินนี่นะได้รับความเสียหายด้วยนะคนที่ฆ่าคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าคนนู้นได้รับด้วยเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอุบิดไมุนดาลิกอัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺในคุรานสอนนะข้อที่สิบสี่ถ้าต้นไม้ทั้งหมดต้นไม้เนี่ยที่อัลลอสร้างมาเนี่ย บนแผ่นดินนี้นะเอามาทําเป็นปากกาแล้วก็เอามาใช้น้ําในมหาสมุทรเนี่ยเป็นน้ำหมึกบรรยายเรื่องของอัลลอฮ์ก็ไม่หมดน้ําในมหาสมุทรหมดต้นไม้นี่หมดเอามาทํำปากกาจนหมดน้ําก็หมดแต่บรรยายเรื่องของอัลลอฮ์ยังไม่หมดอัลลอฮฺอักบาร์ข้อที่สิบห้าบริโภคพืชผลจากแผ่นดินนี้ คนนี่กลัวตายรู้ไหมแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์สร้างละสวันสร้างมนุษย์น่าวันเดียวสร้างมนุษย์น่าวันเดียวแต่สร้างโลกในชั้นฟ้า น, นี่รวมแล้วสี่วันมาถึงสร้างริสกีนะ่ะให้กับมนุษย์แต่รเซอร์ให้กับมนุษย์เนี่ยสี่วันถ้นาไปกลัวอะไรห น, กนักหนาจะความลําบากความอดทนฉะนั้นคนที่มี إ ي م านเรียนตักวามี إ ي م านเขาจะไม่กลัวความจนเลย ไม่มีคนที่จนเพราะเพราะทําบุญมีไหมคนที่บริจาคก็อย่าน้นคนที่จนบพบริจาคมีนี่ไม่มีไม่มีครับมีจะทําอย่างอื่นเอาข้อที่สิบหกในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่างๆสํ า, าสหรับผู้มีผู้ที่เป็นมุ่งมินโอโลเนี่ยไหมเนี่ยเราได้หมดเลยเนี่ยถึงตอนนี้อีทําอีมาเราเพิ่มหมดนะข้อที่สิบเจ็ดมนุษย์มาจากดินใช่หรือไม่ใช่ คนแรกมาจากใครนบีอาดัมอมดลิลล์ข้อที่สบแเจเวตก็มาจากดินแล้วก็มีเยอะด้วยรูปจจเวตรูปปัน้นรูปจำลองเต็มไปหมดพระเจ้าย่อยๆเนี่ยมาจากแผ่นดินนี้แหละข้อที่ส9ให้พิจารณาแผ่นดินอัลลออักบรข้อที่ยี่สิบแผ่นดินะลมใช่ไหม แล้วก็แผ่นดินก็บีบอีกด้วยบีบใครบีบคนชั่วขณะที่นอนอยู่ในกูโบก็แผ่นดินนี้แหละข้อที่ยี่สิบเ็ดแผ่นดินมีอยู่วันหนึ่งจะเป็นประกายแสงให้รอดูต่อไปน่าคิดมากเลยข้อที่ยี่สิบเอ็ดแผ่นดินนี้ทำให้ร่างกายนี่ผุ ก, กร่อนใช่หรือไม่ใช่บางคนฝังอยู่ในกูโบเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็ยังไม่ผุ ก, ก่อนก็เพราะแผ่นดินนี้แหละ อัลลอฮ์รักษาอย่างไงอัลลอฮหุอัลเบดข้อที่ยี่สบสามยี่สบสอข้อที่ยี่สสาแผ่นดินนี้เป็นสุสานอัลลอฮฺเป็นสุสานของคนแล้วก็อุ้มคนไว้เนี่ยใต้ดินเนี่ยไว้เท่าไร่แล้วตั้งแต่นบีอาดัมคนแรกมาถึงยุคปัจจุบนันนี้แผ่นดินนี่อุ้มคนเอาไว้เท่าไร่นึกภาพเนะี่เท่าไหรครับอัลลอฮหุอัลเบดแผ่นดินนี่อุ้มเอาไว้นะ ข้อที่ยีแผ่นดินแห้งแล้งบางครั้งก็ชุ่มชื้นมีฝนตกลงมาชุ่มชื้นไปนหมดเลยละคัมภีร์นี้เลยข้อที่25มนุษย์เป็นผู้สืบทายาทปกครองแผ่นดินนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้อำนาจนะครับข้อที่26แผ่นดินนี้นอบน้อมถ่ออัลลอฮ์ยิเคตถึงอัลลอฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัตบันสุดูด AH, AH, ีแท้ซองต่ออัลลอฮ์แผ่นดินนี้เราไม่รู้ นะครับข้อที่27่สิเอลลอ์ให้แผ่นดินนี้อยู่ใต้อำนาจของมนุษย์เพื่อสแสวงหาริสกีสแสวงหาประโยชน์ข้อที่26แผ่นดินนี้อัลลอ์ให้มีภูเขาหรือไม่มีภูเขาไว้ทำอะไรมีภูเขาให้เป็นเข็มหมุดอธิบายง่ายๆวันจิบ่าดาอาตาดาอัลลอ์ให้ภูเขามีดูภูเขามองจากภาพ ลึกลงไปในในแผ่นดินนะเพื่ออะไรเพื่อมาให้โลกใบนี้มันโครงเครงข้อที่ยี่สิบเก้าให้ใครปกครองก็ได้ตามที่อลัลลอ์ทรงประสงค์โอ้อลัลลอ์ให้นะให้อำนาจคนนี้อาจจะเป็นถูกเลือกมาก็ดีหรือแบบไหนมาก็ดีอลัลลอ์ให้อำนาจคนคนนี้ปกครองดูแลประเทศนี้ตรงนี้มุมนี้ส่วนนี้อลัลลอ์ก็ทดสอบเหมือนกัน ข้อที่สามสิบเฟื้องอูนพยองหน้าแผ่นดินนี้แหละจะทำให้ตกนรกก็เพาะแผ่นดินนี้แหละนี่สามสิบรายการอามาจากอัลกุรอานนะครับวันนี้เรามาดูอายาที่สิบเจ็ดแล้วอรดนาอันนัตทาิซลฮวาละ ถ้านหมละดุนน้าอินคุณฟะอิลีนแล้วอารดนาอันนัَّักิดละหัว ن َาข้อหนาหมิละดุนน้าอินคุณฟ ن َิลีนอัลَอฮฺอัล ا ลَอฮฺَัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล ดูคำแปลนะเราอารอดนาถ้าหากเราต้องการถ้าหากเราประสงค์นี่เรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่านะถ้าหากเราประสงค์ถ้าเราต้องการอันนัตตะฮิจละฮวนจะหาการบันเทิงบันเทิงเนี่ยเรื่องสนุกสนานเรื่องหัวเราะเรื่องยิ้มเรื่องหยอกหยอกล้อลอกันนี่นะถ้าอัลลอฮ์ต้องการ ต้องการจะอธิบายว่าอัลลอฮ์น่นนะให้มนุษย์นี่นะมีครอบครัวให้อัลลอฮ์อัลลอ์ให้มนุษย์มีภรรยาให้มนุษย์มีผู้หญิงให้มีสามีเมื่อมีสามีแล้วก็มีอะไรนะมีลูกอ่ามีนูน่นมีนี่นี่เป็นเรื่องบันเทิงทั้งหมดวันนี้นะเราอยูนะ่อยู่ด้วยเพราะข้อความบันเทิงนะ เดี๋ยวพอเบื่อๆแล้ก็ไปนั่งหาเมียเมียก็หยอกนูนหยอกนี่ยิ้มนูนยิ้มมีหายเหงาใช่หรือไม่ใช่คนไม่มีเงินก็นึกเออเฮ้ยจริงเโอ้อักขบาดมีลาวันลาวันประวัตินะนะการบันเทิงฉะนั้นคนที่มีลูกมีเมีย น, น, นี่นะอัลลอฮฺให้เขาพบกับความบันเทิงทั้งนั้นมันเงาอ่ะมีซอบ้านนบีคนหนึ่งผมจําจํามาตั้งไปเรียนหนังสือที่นันดวัวแล้วถ้าหากฉันมีอายุ ถ้าฉันรู้ว่าฉันมีอายุแค่เจ็ดวันฉันจะขอแต่งงานฉันจะไม่อยู่คนเดียวเห็นไหมอลัลล์เพราะว่าละวันนี่แหละเพราะว่าความบันเทิงความสนุกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับมีภรรยามีลูกมีหลานอัลล์อัทีนี้อัลล์ต้องการอัลลอ์ต้อตงการจะตอบตอบตอบตอบคำถามเพราะว่ามนุษย์บนโลกนี้นะ พวกยะฮูดีบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกชายชื่อท่านอูเซสภาษานี้อัลลอฮ์โกรธมากนะแล้วก็พวกนาซารอบอกว่านาบีอินซาเป็นลูกของอัลลอฮ์คำนี้อัลลอฮ์โกรธมากครับแล้วก็พี่น้องอาหรับในสมัยท่านนาบีวันนี้ยังหมดหรือเปล่าคงจะหมดแล้วนะมึงนะพูดว่านาบีมุฮัมมัดมีลูกสาวเป็นมาลาอิ ก, กะคํานี้อัลลอฮ์ก็โกรธเหมือนกัน และอีกเรื่องหนึ่งพวกเราวันนี้เวลามีปัญหาไม่ขอต่ออัลลอฮ์ไปขอจากโตเกีอัลลอฮ์ก็โ ก, กรธอีกเหมือนกันไปขอทําไมละ่ะเพราะอัลลอฮ์พูดในคัพีร์ุณอ่านบอกว่าอัลลอฮอุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของมนุษย์ขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งอัลลอฮ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างและไปขออื่นจากอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ก็เล่าว่าถ้าหาฉันต้องการ <c oughs> อยากจะห้ฉันจะหาความสุขนะ ลัตตาขศนาอิทอนนัตตาคีลาวันที่จะหาการบันเทิงลัตตาขศนาหูมิละดุณนะเราก็จะหามันหรือเอามันจากที่อยู่ใกล้ๆเรานี้ก็ได้อธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้ เรื่องผู้หญิงอ่ะว่ากันง่ายนะผู้หญิงนี่นะผู้หญิงอัลลอฮ์จะหาข้างบนฟ้านั้นแล้ไม่ต้องมาไม่มาต้องเอามนุษย์เราเอาไปหาความสุขความความอะไรนะความสําราญอัลลอฮ์จะหาที่อัลลอฮ์สร้างมาริมๆอัลลอฮ์ก็ได้จะมาเอาทําไมกับมนุษย์จะมาเอาทําไมกับคนจะมาหาความสุขทําไมกับคนกับสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างให้กับมนุษย์ฉันไม่เอาที่ต้องการจะตอบคําถามกคนที่ พูดว่าอลัลลอฮ์มีภรรยาอลัลลอฮ์มีลูกอลัลลอฮ์มีนั่นอลัลลอฮ์มีนี่อลัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต่อมาครับอิงกุนอาฟะอิลีนถ้าเราจะทําเช่นนั้นก็ได้แต่เราไม่ทําต้องการจะอธิบายว่าอลัลลอฮ์นี่นะไม่มีลูกอลัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอลัลลอฮ์ไม่มีอะไรสิ่งที่จะบันเทิงหาความสุขความสบายอลัลลอฮ์ไม่ต้องการ นะครับเพราะมนุษย์กับอัลลอ์นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนี่ต้องการจะสอน เ, เ, เ, เรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องอัติดคือเป็นอย่างนี้ไอ้ตับซีนอธิบายบอกว่าฮูลูไนนเนี่ยที่อัลลอ์เตรียมเอาไว้ ai, สำหรับพวกเราที่มี إ ي มานที่มีาศาสนาเนี่ยนะพอเข้าไปในสวนรรคนะ์ปั๊บมะเจอฮูลูไนายนี่มันก็สวยอยู่แล้วนะ แต่ต้องการจะบอกว่าภรรยาของท่านเนี่ยสวยกว่าฮูรุไนสวยยังไงอ่ะเพราะว่าร่องรอยของการอาบน้ำนำมารร่องรอยของการอ่านอัลกุรอานร่องรอยของการถือศีลอดร่องรอยของการสุญญุตทั้งหมดเหล่านี้ทำให้ภาพของนาง น, นั่นสวยกว่าฮูรุไนตั้งเยอะแยะไปหมดเลยอัลลอฮ์นี่วันนี้ภรรยาเสียชีวิตเพราะเป็นโรคนั่นเพราะเป็นโรคนี้ใช่ไหม แต่ในวันเกียมวมาไม่มีแล้วโรคหายหมดแล้วก็สวยนี่พระยาเราเนี่ยล้อ่ากันแล้วก็สิ่งที่อยู่ในสวรรค์ต้องการจะอธิบายว่าอัลฟาฮาลาฮุมนี่เราอยู่บนดุนยานี่นะบางคนยังชาโทรศัพท์ไม่เป็นมีมั้ยผมเนี่ยชยโทรข้าวโทรออกอย่างเดียวอ <c oughs> ย่างอื่นไม่ทำทำไม่เป็นไม่อยากจะเรียนด้วยแล้วก็ในสวรรค์นี่นะ ของที่จะอำนวยความสะดวกให้เราเนื้อเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่พี่น้องคิดว่าพี่น้องจะจะทำถูกหรือเปล่าขณะที่น้องเราไปทําฮัทเนี่ยทำอุ้มรอดเนี่ยตอนนั่งขึ้นบินไปเราเห็นสภาพเนี่ยโต๊ะโต๊ะแชร์แชร์เราเนี่ยจะเดินเข้าห้องน้ำจะเปิดประตูไม่ถูกใช่ จ, ำจำมัมจามัดจริงไหมเปิดไม่ได้จะทำยังไงยึดอึด อ, อักเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเอาเอ า, เอาสะยบทำงี้ทำงี้ แล้วพี่น้องไม่คิดเลอในไหนสวรรค์เนี่ยของชาญเนีสวรรค์เต็มไปหมดเนี่ยเราจะจะจะจะใช้เป็นหรือเปล่าเนี่ยที่จะเปิดเพราะห้องน้ำเนีสวรรค์ไม่มีใช่ไหมนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปหูบางเทีมยมยกตัวอย่างง่ายๆนะแล้วก็จะมชช่าจะใช้มือโทรศัพท์โทรศัพท์ดีกว่านี้ตั้เยอะว้าวโล อ, อักขรไม่ต้องมานั่งเปิดไปนั่งปิดไม่ต้องมานั่งเสียบนู่นเสียบนี้ไม่ต้อง ของที่อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์ฟาฮาแล้วฮุมอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยใช้เป็นรู้จักหมดเลยแม้แต่ภรรยาเราเนี่ยบางทีจากกันตังนานแค่มาไปเจอมสวยก็เก่าเองแค่คุค้นเคยกะฮู้ดในที่อัลลอห์มอบให้นะเหมือนกับรู้จักกันมาทําเป็น10บสปีหรือ2ีปีพอเห็นหน้าปั๊บเีความนะความคุ้นเคยที่อัลลอฮ์ให้ให้ให้กับคนชาวสวรรค์อัลลอฮ์หัวกัน ยิ่งใหญ่เกินนี่ถ้าแต่นี้ไอาภาพทั้งหมดเหล่านี้น่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจะเที่นบีพูดยังไงนะตาไม่เคยเห็นมือไม่เคยสัมผัสสมองไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเป็นอย่างนี้ยิ่งถึงที่อัลลอฮ์จะมอบให้ในในโลกอาคืเราอยู่ในสวนสวนรรค์ก่อเหรอฉะนั้นต้องการจะอธิบายว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างนารกไม่ได้สร้างสวรรค์ไม่ได้สร้างความตาย แล้วก็การฟื้นคืนชีพและการคิดบัญชีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยใช้สติปัญญาแล้วก็คิดแล้วพอคิดไปคิดมาก็รับอิสลามกันหมดทั้งโลกนลั่นแหละแต่วันนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดนี่ปีที่แล้วดารารับรับอิสลามเท่ไาไหร่รู้ปะดรารับอิสลามเต็มไปหมดผมมีชื่ออยู่แล้วเดี๋ยววันหลังค่อยออกมานะครับ <c oughs> อาทินี้ <c oughs> ต้องการจะอธิบายว่ายาฮูดีนสอสโรณีนะครับไม่ได้ไม่ได้รักอัลลอฮ์อย่างที่คาสอนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอนนะครับอ้างอัลลอฮ์เหมือนกันแต่อ้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีภรรยาชื่อนางมารยัมแล้วก็มีลูกชายชื่อนบีอีซาผู้ยาฮูดีบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกชายชื่ออูเจสพวกอาดับมักกะอธิบายว่ามุฮัมมัดนอด้อิดอัลลอฮ์นั้นมีลูกสาวชื่อเป็นมาลาอีกาของอัลลอฮ์ ภาษาเหล่านี้ทำอัลลอฮ์โกรธแล้วไม่พอใจนะครับคือว่าชิริกดังคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยตายอัลลอฮ์ไม่อาภัยโทษให้นะอ้าต่อมาครับอยาที่48บัลนะกอซิฟุบิลฮกติอาลัลบาติลฟายัดมาหูฟฟาไอดะหูวาซาฮิก و َلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ นักซิฟูแปลว่าเราได้ทําลายนักกระซิฟแปลว่าเราได้ทําลายอัลฮักความจริงอัลบาติลความเท็ดโอ้ได้ไดข้อคิดเยอะเลยนะเราไม่ได้เราได้ทําลายความเท็จ ด, ด้วยความจริงเอาความจริงมาความเท็จ มาลายหมดศูญหายหมดเลยนี่ไงเลาสร้างชั้นฟ้าแนละแผ่นดินเราสร้างมนุษย์มาให้มนุษย์พยายามเลือกของอะไรที่เป็นของจริงๆกับอะไรที่เป็นของเท็จต้องเลือกให้ออกนี่คนที่เลือกคนที่รู้นะเข้าใจโลกดุนยากับเข้าใจโลกอาริเคโรน่ะคนนั้นเป็นคนที่เชตตอนหนีแล้วนะ่ะคนที่หลงดุนยาอธิบายยังไงรูกไหม คนที่เป็นเหยื่อของโลกดุนยาใบนี้นะ่ะเขาเตรียมตัวเป็นเหยื่อของไฟนระกเถอะนี่ถ้าแยกโลกดุนยากับโลกอาคีรอไม่ออกนะหลงดุนยาหมดเลยฉะนั้นดุนยาใบนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบโลกแห่งการทํางานรางวัลยังไม่มีให้เล็กๆน้อยๆเจ้านั้ น, นเองแต่รางวัลนนัะ้ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺจะมอบให้ก็คือในโลกอาคีรอฉะนั้นโลกใบนี้ อัลลอฮ์ได้ไรนะได้ทําลายทําลายอะไรนะทําลายความเท็จด้วยความจริงมนุษย์ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ทาลายความเท็จด้วยความจริงทําลายแบบแบบไหนอายกตัวอย่างอย่างนี้ประเภทนี้ปฏิบัติทั้งหมดกับสุนนะนบีประเภทนี้ปฏิบัติทั้งหมดใครประดิษฐ์ขึ้นมาใครริขึ้นมาใครทําขึ้นมาปู่ย่าตายายทํามาใช่ไม่ใช่ ประเพณีปฏิบัติชาวบ้านเนี่ยแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์มาทําลายประเพณีปฏิบัติก็คือสุนนะของท่านนาบีถ้าเข้าใจแบบนี้ทุกคนจะเรียนสุนนะกันหมดนี่ไงอัลลอฮ์เนี่ยนะได้สร้างความจริงกับความเท็จคู่กันแล้วอัลลอฮ์พูดไงนะส่วนความเท็จนั้นเราได้เอาของจริงมาทําลายความเท็จมนุษย์ต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นประเพณีปฏิบัติชาวบ้านปฏิบัติ ที่ทำเป็นมาส0ปี20ปีหรือร0อยปีก็ตามเพราะคนในสมัยนบีจะอ้างว่าฉันไม่เชื่อนบีหรอกฉันจะเชื่อประเพณีปฏิบัติที่ปู่ย่าตายายทำกันมานี่แหละจะทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอเราบอกไม่ใช่ต้องอัลสุนนะนบีที่นบีให้มาเป็นแบบอย่างนั้นนี่คือความจริงปฏิบัติตามสุนนะนบีเมื่อไหร่ความเท็จมาลายหายไปหมดละบ้านนั่นเมือง น, นั่นจะมีบรารกัด บ้านนั้นเมือง น, นั้นจะมีริสูกีบ้านนั้นเมือง น, นั้นจะมีความอาลัลลอฮ์มีของดีๆตามมาตามมาเต็มไปหมดเลยเข้าใจนะอท่านกุณอ่านสั่งว่าไงนะเราได้ทําลายความจริงทับทําลายความเท็จ ด, ด้วยกวับความจริงอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ส่งนบีมาแต่ละคนมาะลงมัดมาทําลายอะไรทําลายความเท็จใช่หรือไม่ใช่ นบีอิบรอฮิมถูกโยนใส่ไฟเพราะมาทำลายความเท็จใช่ไหมนบีมูฮัมหมัดถูกวางแผนเยอะแยะไปหมดมาทำลายความเท็จทุกคนรังเกียจหมดเลยวันนี้ก็เหมือนกันเราจะทำลายประเพณีปฏิบัติชาวบ้านเนี่ยโอลโอหดูสิเล่าตรงๆว่าผู้หญิงมุสลิมะเราเนี่ยภรรยาเราหรือว่ามะเราที่นั่งกระโจนอกอยู่หน้าบ้านถามว่า น, นี่ความจริงหรือความเท็จเท็จหมดเลย นั่งกระโจมอกอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วผู้ชายเดินผ่านก็นอสลามวะเละกุมไปไหนล่ะอลัลลอเท็จหรือจริงนี่ของเทียมหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่อัลลอต้องการให้นบีมาสอนผู้หญิงเวลาออกนอกบ้านต้องแต่งกายให้มิดชิดนี่คือของจริงนอนในเวลาซูบุกับเดินมาในมัสยิดอันไหนเท็ตอันไหนเทียม การเดินมามัสยิดมาหนามาที่มัสยิดนี่คือของจริงไอ้นอนยังไม่ตื่นคือความเท็จกว่าจะแยกได้เยอะขนาดนี้จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างนี้ต้องเรียนกี่ปีนี่งานชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่จะอยู่เพื่อนเล่นๆนะไม่จะสร้างมนุษย์มาเพื่อนเล่นๆนะเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ปัญญาแล้วก็นึกถึงแบบที่ท่านนาบีทำเอาไว้ ฝ่ายะดมาหูหูและเราได้ทำให้มันเสียหายดามากอเนี่ยทุบหัวขมองของมันให้แตกเดิมซั์ของมัน่ะดามากอญาดมูฮูเนี่ยดีมากเนี่ยในภาษาอาหรับภาษาอุ ด, ดูแปลเหมือนกันแปลว่าเราได้ทุบหัวขมองของมันให้พินาศต่อการจะอธิบายว่าของไม่จริงเนี่ยนะถ้าความจริงมาเนี่ยอัลลอฮอับัส หายหมดถูกทำลายหมดถูกทอดทิ้งหมดนะครับอดีอย่างของเคสนึ่ก็เบาไปเยอะแล้วสมัยก่อนพอแต่งงานต้องมีไมโครโฟนสามคืนใช่ไหมสามวันสามคืนมีหุงข้าวหุงแกงกันทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้คุ้มผมแล้วก็หุงข้าวหุงแกงไม่ได้นามาดกันหมดเลยเจ้าสาวก็ไม่ได้นามาเจอาเบาก็ไม่ได้นามากว่าจะนี่สอนกันมาพัฒนากันม า, น า, ก, นมาก็มาถึงวันนี้อัลฮัมดุลิลลา คนเข้าใจสุนา่าเพิ่มขึ้นฟาญาดเดมาหูความพินาศความเสียหายของเชตนั้นถูกทําลายไปฟาอิราหูอัจฮิกแล้วเมื่อนั้นแหละมันก็มาลายสิ้นไปมันก็หมดไปมันต้องระวังอีกไม่ให้มันขึ้นอีกอะของที่มันถูกทําลายไปแล้วเนี่ยนะประเพณีปฏิบัติเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยระวังลูกหลานมันจะเอาขึ้นมาอีก และศัตรูที่มาทำลายอิสลามเยอะๆนี่พูดถึงอิสลามอย่างเดียวนะอิสลามรักษาคุณธรรมมาไว้อิสลามมาทําลายของเท็้แต่วันนี้คนเข้าใจาอิสลามกี่คนนะอ้าต่อมาวาลาคูมุลไวลสําหรับสูเจ้าจะประสบกับความวิบัติหานะมิมมาตซีฟูเนื่องจากสูเจ้าได้เสกสารหรือปั้นแต่งเรื่องของอัลลอฮฺ อัลลอฮ์ไม่พอใจนะถ้าเราไม่อ่านคุรานเราไม่รู้เลยว่าการทําชีริกต่ออัลลอฮ์นั้นมันบาปแค่ไหนมันไม่รู้พอมาอ่านกรุรานปั๊บเพิ่งรู้เลยการไปหาตัวตะเกียดนี่บาปหนักการไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์บาปหนักการไปกราบต้นไม้บาปหนักการไปกราบดวงอาทิตย์บาปหนักการประกาบดวงตะวันบาปหนักการกราบกลุ่ ม, มต้นไม้ที่มีผ้าพันเพิินนี่บาปหนักหมดเลย การนึกถึงปู่ย่าตายายแล้วก็เอาความรู้จากปู่ย่าตายายที่มันฝืนตัวหลักอิสลามมาปฏิบัติเป็นความเป็นความผิดอันยิ่งใหญ่เลยนี่จากกุาอานอายาเนี้สอนเราต้องระวังตัวให้ดีนะครับต้องเรียนศาสนาเยอะๆต้องฟังศาสนาเยอะๆนะต่อมาอายาที่เท่าไหร่นะอายาที่19อัลลออักุบะต์อันนี้ในตัฟิตอธิบายดีนะ อายะที่สิบนี่นะความจริงนั้นเที่ยงแท้แน่นอนความจริงมาทําลายความเท็จคนที่สงสัยหรือการดังเดาเนี่ยนะจะชนะความจริงไม่ได้คนที่เรื่องสงสยัยปฏิบัติศาสนาเนี่ยเออสาสาะจะใช่หรือไม่ใช่นั่นไม่มีโอกาสชนะ ข อ, ของจริงสัญญาของอัลลอเป็นความจริงแล้วก็กุลแอนพูดอีกถ้าความจริงเนี่ยคล้อยตามอารมณ์อารมณ์ต่าก็จะปั่นป่วนนี่พูดถึงความจริงนะถ้าคนเนี่ยยอมความจริงให้ความเท็จมาปกครองก็จะเกิดความปั่นป่วนยกตัวอย่างในบ้านเราเนี่ในครอบครัวเราเนี่ย ถ้าเราสามภรรยาออกจากบ้านไม่คุมฮี j a บออกจากบ้านไม่แต่งกายตามแบบอิสลามเอาผู้หญิงผู้ชายมาอยู่ด้วยกันโดยโดยโดยไม่แต่งงานแล้วเราคิดว่านี่แหละฉันจะต้องเอาชนะของของถูกต้องให้ได้บ้านหลังนั้นจะมีความปนป่วนทันทีอัลลอฮฺไม่พอใจฉะนั้นอะไรที่เป็นของไม่ถูกต้องอย่าเอามาใช้ในบ้านอย่ามาเก็บไว้ในบ้านรวมไปถึงนีง่รูป รูปภาพรูปจวเวตที่ท่านนบีพูดไว้ว่าบ้านมุสลิมนั้นต้องไม่มีรูปอะไรนะรูปทั้งหมดนี่แหละรูปหูกสาวเราวที่จบเป็ญญาตรีจบเป็นยาโธด่ายนูนด่มีแปะเต็มบ้านไปหมดเนี่ยบ้านมุสลิมไม่อนุญาตให้แขวนรูปแต่บ้านมุสลิมต้องไม่มีรูปเหล้วนี่ถ้าจะมีก็มีอายะคุรอานบ้านใดที่รักษารูปภาพเอาไว้ฉันไม่ยอมมาออกนะ บ้านนั้นจะมีความป่นป่วนมีไม่มีบรากาศในชี chanting, วิตเห็นหรือยังครับนี่ต้องการจะชี้ önem, ว่าอิสลามเนี่ยจะต้องปกครองโลกใบนี้และอิสลามจะอยู่กับโลกใบนี้ตลอดไปนะครับต่อมาครับวววาลมฟอ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ตาซีรุนอัลฮัมดุลิลลาฮฺอายะนี้ a a อัลลอฮชมมาลาอิกะชมมาลาอิกะอัลลอฮฺอัลกุอบารชีวิตของมาลาอิกะเป็นยังไงครับวาลาหูม mm ัม hmm. ฟิสซามาวะติวลาต์และของพระองค์เป็นของอัลลอฮฺนะคือผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย รูปาบรรดา น, นาบีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนชั้นฟ้านาบีอิบราฮีมอยู่ชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดทำไมอาย่สูงเหลือเกินอ่ะก็อยู่ใกล้อัลลอฮนะ์ถามนาบีอิบราฮิมทําไมถึงอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดวันที่นบีขึ้นเมรอดไปพบพบนบีอิบรอฮิมชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนะสรุปง่ายๆก็คือท่านนี้ ทำงานทำลายความเท็จที่เหนื่อยที่สุดมาทำลายส่งนบีอิบราฮีมาปราบความเท็จที่ลงทุนถูกทรมานมากที่สุดจับโยนใส่ไฟตายได้ไหมตายไม่ตายฉะนั้นรางวัลก็คือไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่เจ็ดวาลาหูมัมฟิสมาวาติวัลอารดิและของพระองค์ คือผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายบรรดาอิกาทั้งหมดอยู่บนชั้นฟ้านาบีทั้งหมดอยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดยังไม่ตายครับอยู่ข้างบนอัลลอฮฺอักต์อมาครับวันอรดีและแผ่นดินนี้และที่อยู่ในแผ่นดินนี้ก็เป็นของอัลลอฮสุบฮานอูตะลานี่สอนให้เราบน บ, น, บ น, น้อมถ่อมตนไม่ให้ตะกร้ำบดไม่ให้เย่อยิงต่อมาครับ ว่ามั่นไงด่าูและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อยู่คนที่อยู่ติดกับอัลลอ์เนี่ยนะอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยนะ่ะเป็นไงรู้ไหมลายสตาคบิรุนพวกเขาไม่ลำพองพวกเขาไม่เย่อะยิ่งคำพวกเขาไม่ไม่จองหองอัลลอ์เห็นไหมต้องการจะสอนมนุษย์ อย่าเย่อหยิงอย่าจองหองทําตัวเหมือนใครเหมือนมาลาอิกามาลาอิกาเป็นอย่างนี้มาลาอิกาเนี่นะอยู่กับพระองค์ทำอิบาัดาตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนม่ต้องอาจารย์อธิบายอย่างนี้ทำอิบาัดาตลอดเวลาไม่มีวันหยุดแล้วก็วารายสต์สิรูแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยอา้าวได้ความรู้เยอะเลยนะ่มะมาลาอิกาทำความดีไม่เหนื่อย มนุษย์ทำความดีเหนื่อยฉะนั้นมาลาอิก้ากับมนุษย์ทำความดีได้รับรางวัลไม่เหมือนกันมนุษย์เป็นอย่างงี้มาลาอิกะเอามาลาอิก้าไม่มีอะไรนะไม่มีภรรยามลาอิก้าไม่มีอะไรนะไม่มีลูกมลาอิก้าไม่เข้าห้องน้ํมามลาอิก้ามาต้องมีบ้านมลาอิก้ามาต้องกินอาหาร ต้องเหนื่อยไหมไม่ได้เหนื่อยเลยมาลายิกาเนะี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวทําอะไรนะทําอิบะดาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวมาลายิกาบางพวกอยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชันสามเต็มไปหมดเนี่ยมาลายิกาบางกลุ่มกําลังอยู่ในท่าสูดหยุดก็มีวันนี้มาลายิกาบางกลุ่มอยู่ในท่ากุกวะก็มีมะลายิกาบางกลุ่มอยู่ในท่ายืนก็มีมาลายิกาบางกลุ่มเนี่ยเอาอะไรนะ เอาที่เป่าสั่งมจอที่ปากรอที่อัลลอฮ์สั่งว่าวันเจียมากเมื่อไรนี่อัลลอฮ์เล่าให้มนุษย์ฟังเพื่ออะไรเพื่อให้มนุษย์คิดโอ้อัลลอฮ์เนี่ย อ, อัลลอฮ์นั้นถ้ามนุษย์นนะ เ, อออเนี่ยนะไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะเพราะอัลลอฮ์สปปร้างสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกนี้ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับมนุษย์ต้องการจะให้เกียรติมนุษย์ให้มนุษย์อ่านอัลกรุรอานให้มนุษย์ได้คิดฉะนั้นถ้ามนุษย์รวมตัวกันไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ย อลัลลอฮ์ลดไหมตำแหน่งอลัลลอฮ์ลดได้ไหมลดไม่ลดครับถ้ามนุษย์เนี่ยบนโลกนี้รวมตัวกันเอาเอาลัลลอฮ์องเดียวอลัลลอฮ์ใหญ่ขึ้นไหมไม่ใหญ่ฉะนั้นอัลกุรอ า, านมาเน่ยเพื่อจะมาเตือนมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์มีภรรยามนุษย์มีลูกมนุษย์มีบ้านมนุษย์ต้องเข้าห้องน้ํามนุษย์ต้องทํามาหากินต้องหาดิสกีส่วนมาลีกะไม่เหมือนมนุษย์เลยฉะนั้นมนุษย์ ถ้าจะทําความดีต้องเหยียบโอลโลเหยียบอารมณ์ไม่รู้ว่ากี่อารมณ์อก่อนที่จะมานั่งที่มัสยิดนี้นะเนี่ยเหยียบกี่อารมณ์แล้วต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งใช่ไหมแล้วก็โอ้ยังมีเวลานามาต้องนามาตใช่ไหมต้องแปมฟันใช่ไหมต้องเข่าห้องน้ําใช่ไหมถางว่าเหนื่อยได้ไหมเหน่อยเหนื่อยครับนี่ไงตรงนี้ไงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ อัลลอฮ์อาถ้าเข้าห้องน้าไม่เหมือนนบีรางวัลมีไหมไม่มีถ้าเข้าห้องนามม้าเหมือนนบีบอา่อนน า, อานดัอาเหมือนนบีมีรงางวัลตื่นนอนขึ้นมาเหมือนทาตัวเหมือนนบีอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอยานาบดมอมตนาวะอิลนูจมีรงางวัลตอบแทนจากอัลลอ์แล้วก็นามาตเหมือนนบีมีรงางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ จะออกจากบ้านอ่านดวงอาบิสมิลลาฮิราะห์กัลลอฮวะลาฮูลาวะลาอูวาตาอิลลาบิลละมีรางวัลจะขึ้นรถสต้ารถมีรางวัลพอรถจอดเดินจากรถมานี่มีรางวัลต้องเยอะแยะไปหมดถามว่าจะทำความดีไม่เหมือนมลายกะมลายกาทำแล้วไม่เหนื่อยเรานั้นต้องเหนื่อยแล้วต้องเหยียบอารมณ์เพราะอลายกามาอารมณ์อารมณ์ต่อต้านอัลลอฮ์ไม่มีมีแต่เชื่อเชื่อเชื่อเชื่ออัลลอฮ์ ฉะนั้นเราเหยียบอารมณ์ในการทําความดีจึงมีรางวัลตอบแทนจากอกโลกเยอะมากครับฮัมดูลิเลอร์ฉะนั้นต้องสอนอิสลามให้ลูกฟังด้วยต้องสอนอิสลามให้ภรรยาฟังต้องสอนอิสลามให้คนใกล้ชิดฟังเพราะเข้าใจอิสลามนี่มันเรื่องเข้าใจมันมีเคล็ดลับเล็กๆ น, น้อยๆต้องอธิบายให้ฟังฉะนั้นมนุษย์กับมลายิกาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันมลายิกาไม่มี ของน้าไม่มีบ้านไม่มีลูกไม่ต้องหาสตางเรียงไอเราดิภาระเต็มไปหมดแต่เราไม่ลืม Allah. อัลลอ่าต้องการให้เรานึกถึงอัลลอ์ให้ทำอิบะดาต่ออัลลอ์เหมือนท่านนาบี ม, มุฮัมมัดทำนะครับนี้กว่าจะเอาซูน่์นบีมาชาถูกแอนตี้ไหมอัลลอฮุอะบัดนี่วันงานเนะี่ยมีมีอยู่คนมาจากเพชรบุรีเดินคุยกับผม ผมเนี่ยเพิ่มเข้าใจซุนนะได้ห้าเดือนแล้วก็เอาซุนนะมาใช้ชาวบ้านในรวมตัวกันแอนตี้เห็นไหผมมาเรียนซุนนะเข้าใจซุนนะอัลลอฮ์ชาวบ้านในรวมตัวกันแอนตี้ฟังว่าอัลลอฮ์คุณไ ม, ไม่ต้องห่วงเลยนบี ม, ม่อมาจะลาถูกแอนตี้จากอัลลอฮ์จากอะไรจากจากสังคมนี่เต็มไปหมดนะทางบนนบีทำผิดอะไร น บ, บีสอนความจริงที่มาจากอัลลอฮ์นี่ถูกตําหนิจากชาวบ้านน่ะหลายเรื่องไปหมดเลยอ้าวน บ, บีเป็นมายากลน บ, บีเป็นคนบ้า น, น บ, บีเป็นนักกวีน บ, บีขายฝันสารพัดว่าน บ, บีหมดท่านน บ, บีเอาเรื่องไหมน บ, บีไม่เอาเรื่องใครสักคนหนึ่งจะนั่นท่านถูกแค่นี้เล็กๆน้อยๆถามว่าคอนเคสเนี่ยถูกมาเยอะมอะั้ยอัลลอฮ์อพวกว่าอ้าวคุณมจาเนี่ยเอาซู น, น่ามาเนี่ย มก่อแถบ น, นี้นะมุสลิมนะก็มีมีสารเจ้ากันนะมีพระภูิพระภูมิพระภูมิส า, สารนะสารพระภูมิมือนคนฝังกันนูนเลยคราบซาหมาก็โอ้ค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกนั่นน่ะของอัลลอฮฺไม่พอใจทั้งหมดอ่ะเห็นไหมบังรอันนั้นคนเนี่ยเรียนเรียนสูนนะถูกตอต้านนี่แหละท่านอยู่ในของที่จริงแน่นอนเลยนะครับอ้าว ต่อมาครับวลายสตาซีร ah ูนพวกเขาไม่ไรนะไม่เหนื่อยไอเราเนี่สุยูดเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยจากรุก่ามาเหนื่อยไหมเหนื่อยเดินมามัสยิดเหนื่อยไหมเหนื่อยครูที่ปลูกนักเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยมีผลบุญตอบแทนจากราถ้าหากเราเหนียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาอัลลอฮฺอัลล ทีนี้ลายสตักเบรุนแปลว่าอะไรนะมาลายิกาไม่ลำพองตนไม่จองหองต้องการจะสอนว่าคนที่ลำพองตนอลัลลอฮ์ชอบไหมไม่ชอบนี่เราเนี่ยถ้าเย่อะยิงเนี่ยแล้วอัลลอ์ชอบไหมอลัลลอ์ก็ไม่ชอบเรา่ะทำอะไรโอ้อวดนะอาขอคุยเอโ อ, อ, อ, อ้อวดนี่โอวดคนๆอวดอวดนี่อัลลอ์ไม่ชอบนะเราเนี่ยไปทําฮั์มาแล้วแปดครั้ง แล้วก็มีแขกมาบ้านต้องการจะบอกให้แขกรู้บอกลูกลูกเอาภาชนะที่อยู่ในตู้ที่มะซื้อมาจากมะกะตอนไปทำฮัตครั้งที่แปดนะลูกเอาออกมานะแล้วก็ใส่ผลไมใ้ใส่ของหวานมาเลี้ยงแขกมองดูเพยเผย น, นี่พูดดีไหมดีเอาผลเอาผลไมใ้ใส่ภาชนะ มาเลี้ยงแขกดีไหมดีแต่ไม่ไม่ยุวักเนึ่งภาชนะที่มะซื้อมาจากมักกะตอนไปทำฮัทครั้งที่แปดไอ้ครั้งที่แปดนะพูดทำไมอะ่ะเพราะเนียต้องการที่จะให้แขกที่มานั่งอยู่เจ็ดแปดคนเนี่ยได้รู้ว่าฉันนี่ถานธารมปยีมาแล้วแปดครั้งพลบุญอลัลลอ์ให้ศูนย์หมดเลย เนี่ยถ้าเราม่เรียนมันจะรู้ไหมไม่รู้นี่อะสุนทรนาบีต้องการที่จะมาทําลายของเพชรของไม่ดีไม่ดีที่จะปฏิบัติอยู่นี่นะเพราะเราจะต้องอยู่ในโลกอาคีรอดแบบไม่มีวันหมดอายุพอดุลยาแค่หมดอายุแล้วแค่ทดสอบเองใช่ไหมวิธีทดสอบอลัลลอฮ์บอกแล้วแล้ววิธีให้สอบผ่านทําไงก็เอาสุนทรนบีมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอัลลอฮ์อัคบัดฮึมต่อมาอายาที่ยี่สิบ ยุบบพูนัลเลイルและนฮาร์ลาญฟตุรุนยุบบพูนัลเลイルและนฮาร์ลาญฟตุรุนอัลลอฮฺอัลลอฮฺผูเขามาถึงพวกมลลัยกาเล่าเรื่องมลลัยกาให้เราฟังทาไม เพื่อให้เราเอาแบบอย่างมาลายกาบ้างทําตัวเหมือนมาลายกาบ้างเอา้าพวกข่าอะไรนะอยู่ซับเบอร์ฮุนแปบลบว่าแท้ซองสะดุดีสรรเสริญสรรเสริญใครครับสรรเสริญอเลอร์ะนะสิอันไรละกลางคืนวันนะฮะรอกลางวันเอา้าทําไมเออยเอยเอย์กลางคืนก่อนทําไม เลยกลางวันที่หลังทําไมต้องการจะบอกให้รู้ว่ากลางคืนต้องมาก่อนกลางวันนี่กูอ่านสอนอ่ะเอาละเอยกลางคืนก่อนแล้วกลางวันที่หลังต้องการจะบอกว่าเวลาของของของมุสลิมอะไรมาก่อนกลางคืนเหมือนเพราะมักรีบเข้าปั๊บกลางคืนมาใช่ไหมนี่ไงเข้าวันใหม่ของของอิสลามฉันยังครับเขาคิดนะแล้วก็อยู่ซับวีฮูนเป็นแฟนมูดอรีนะเป็นพรีเซนเต่น แปลว่าไรนะขณะนี้เขากาลังปฏิบัติอยู่และอนาคตกจ็จะปฏิบัติไม่ควาาว่าบรรดามาลาอิกาเนี่ยนะต่างพูดชมสรรเสริญอัลลอ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีวันหยุดอัลลอฮฺขอักระบฉะนั้นบ้านเราก็เหมือนกันถ้าต้องการให้บ้านที่มีบรรากาศต้องให้คนในบ้านทำอิบัดตลอดเวลาสิ่งที่จะมาทำลายบารากาศอะไรรู้ไม ไล่บรกัดไล่มาลายกาออกจากบ้านมีอยู่ทิ้ง ม, มีอยู่สองทางหนึ่งเสียงเพลงกับเสียงดนตรีมืวนงานเนี่ยมีอยู่ครอบครัวหนึ่ง ย, ยืนคุยกับผมตจนจรจะฉลาดจะกาบ้านวะชันทุมไม่รู้เลยว่าดนตรีเนะี่ยเป็นของฮารอมไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าไอเสียงเพลงนะ่ยเป็นของฮารอมแล้วนะไม่รู้เลยแต่ที่พอรู้แล้วก็เละทิ้งสิ ไอทีวีไอเอ๋อะไรนะเสียงอะไรนะมีิวสิคทั้งหมดเนี่ยนะก็อะไรนะเครื่องเสียงอ่ะการใครเอาป่เอาฉันไม่เอาแล้วเอาเวลามาอ่านกัมอ่านดีกว่าหลายคนเพิ่งรู้ว่าดนตรีเป็นของอารอมหลายคนเพิ่งรู้ว่าเสียงเพลงเป็นของเรียกชายตอนเข้าบ้านอ่ะที่ดูเร็วแต่ทลดูเร็วนี่เราก็เนื่ากใครทุคนรู้หมดแล้วไม่รู้แค่นั้น การสรรเสริญมีอ่านคุณอ่านมีดิฉรุณลหรมีพูดเรื่องดีๆอ้อนี่พี่น้องยังยังไม่รู้วิธีไล่ชจตอนมีอยู่ยี่สิบวิธีไม่รู้ใช่ไหมรู้เป่าไม่รู้ใช่ไหมผมสอนตอนหลังธรมาสตมบู์สิบนาทีทุกวันแต่มันจะออกออกทีวีสอนที่นี้น่ะวิธีไล่ใยตอนให้ห่างตัวเรามีอยู่ยี่สิบวิธีอ้าจะบอกสัก วิธีหนึ่งใบหน้าที่ยิ้มแยมม้ม s ล i l e y face นะ่ะช้ตอนหนีนะ่ะท่านช้ตอนชอบใบหน้าแล้วบึ้งๆใครที่บึง้งๆชัยตอนนี ว, ว, นว ก, วกวูแต่กูไปเลยเข้าไปเลยท่านใครที่ยิ้มนะยิ้มกับภรรยาภรรยายิ้มกับสามีลูกยิ้มให้พ่อเอาลองว่าแวบบ่ชัตอนนี้กูมาอยู่บ้านนี้มันยิ้มเลือเกินมันยิ้มกันเก่งเลือเกินมันคุยกันมันก็ยิ้มกันในครอบครัวมันกูไปดีกว่ากูไม่อยู่ เห็นย <necessary. S 2> ังพี่น้องแล้วอีกสิบเก้าวิธีอ่ะบ่เอาวิธีสุดท้ายคือเรียนสุนนะนบีเรียนสุนนะนบีปฏิบัติตามสุนนะนบีใช้ตอนนี้หมดเราไปเห่าข้างนอกอ่าก็บพี่น้องเราก่ะดาเราไม่ใช่ละมึงเรียนสุนนะนบีทาไมนั่นแหละใช้ตอนทั้งหมดนั่นแหละพูดงี้แรงดูหนมึงจปลาปากเสียอีกคนที่เรียนสุนนะนบีถูกด่าไหมวันนี้ด่า ใครดเตะเราหัเราก่อนนบีมาหมัดน้มาอิสลามที่แท้มาจากอัลลอฮ์ใครแอนตี้อับูุละครับอับูุจหานใจหรือไม่ไช้เนี่ยฉะนั้นวิธีไล่ใชตอนคือเรียนสุนนะนบีปฏิบัติตามสุนนะนบีไชตอนนี้หมดเลยอาตอมาครับยูซบิฮูนัลไลละวันนะฮพวกเขาแท้ซองสุูดีพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และยาฟตูรูนพวกเขาไม่ไรนะไม่ว่างเว้นไม่ชังักไม่หยุดต่อการปฏิบัติหน้าที่เชนเนียนอัลลอฮฺอัลบัดไม่หยุดเลยไม่มีวันหยุดสักนาทีหนึ่งก็ไม่หยุดเลยสรรเสริญอัลลอสรรเสริญอัลลอชมอัลลอฮฺสุบฮานาหฺอัลลอฮฺอัลลอบัต่อการอธิบายว่ามะลาอิกาสไม่กินไม่นอนไม่แต่งงานไม่เข้าห้องน้ำ แต่มนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นต้องกินต้องนอนต้องแต่งงานต้องเข้าห้องน้ำต้องสร้างที่อยู่อาศัยต้องทํางานต้องรับผิดชอบฉะนั้นการที่มุสลิมลุกขึ้นมาทํานมาดเพื่อเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะทาให้เขาต้องฝืนอารมณ์อธิบายใหม่นะต้องลุกขึ้นมาต้องเข้าห้องน้าต้องอาบน้ำนมาด ถามว่าฝือนอารมณ์ไหมฝือนอารมณ์การฝือนอารมณ์นี่แหละมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮสุบฮานาฮฺวะตาอัลาจะนั่นเป็นน้องจะทาอะไรให้นึกถึงซุนานะนาบีนะครับอย่าเดินแก้ผ้าบนบ้านมาจะซุนานะนบีแ ป, ป๊บแ ป, ปพอไหวเดินทุ่งท่องอยู่บนบ้านรอภรรยาไมา่อยู่ลูกไม่อยู่แก้ผ้าเดินบนบ้าน อัลลอฮอบจะเข้าบ้านไม่มีคนอยู่ให้ทาไงอัสสลามุอะลัยนะลาอิบดิลลฮิซอลนแปลว่าอะไรขอความสันติจงประสบแด่พวกเราวลาอิบดิซอลิและแกบาวที่สอนและหมายถึงใครมลาอิกะอยู่ในบ้านเราอ่ะใครสอนเราดูอาีิท่านนบีสอนให้ท่านนึกเฮ้ยบ้านเรามไม่ใช่บ้านธรรมดาเว้ย พอเรามีเสียงนมาตอยู่ในบ้านเสียงกุนอ่านอยู่ในบ้านอัลลอฮ์เสียงสนนุนัขลวัดนบีอยู่ในบ้านบรกัตลงมาเต็ไมไปหมดแล้วมาลิกาอยู่แล้วเราเข้าบ้านไม่ให้สลามกับมาลิกาที่ฝาบ้านเราอะ่ะอัลลอฮ์นี่ไงใช้ตอนนี้หมดมีแต่มาลิกาอยู่ฉะนั้นเวลาเข้าบ้านให้เกียรติมาลิกาด้วยนะ อุลมามะนบีสอนอีกนะเวลาร่วมหลับนอนกับภรรยาอย่าคุยบางคนคุยตามฝรังคุยทำไมอ่ะอัลลอ์เอาเรื่องเรื่องละเอียดอย่าอย่าเล่าเด็กเรียนฟังมึนอยายะที่ยี่สบอ็ดมิตาตคอรอาลีฮะจัมินาล้ม ยุมยุนชิรุนอิมต้ขอดูอาลิฮะตัมมินัลอาร์ดฮุมยุนชิรุนอัลลอฮฺอักบารุลฮมดุลลหรือพวกข้าเนี่ยไปคำถามอ้ำอ้ำอ้ำหรือว่าหรือว่าพวกเขาผู้ปฏิเสธนี่นะอิตตะขอดูยุด ยึดอะไรครับอาลีฮ์ตันยึดพระเจ้าย่อยย่อยมินัลอารดีจากแผ่นดินนี้ยึดพระเจ้าย่อยย่อยเป็นพระเจ้าแทนอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์พูดเรื่องนี้บ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคนที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยรู้จักอัลลอฮ์แล้วมนุษย์จะไม่เรียนเรื่องอัลลอฮ์เลยไปเรียนเรื่องอื่น แล้วก็ไปยึดสิ่งอื่นแทนอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์โกรธอลัลลอฮ์เลยถามบอกว่าอามิตต์ฟซูอาลิฮะจัมมินัลอัลดิหรือว่าพวกเขาผู้ปฏิเสธเนี่ยยึดถือพระเจ้าย่อยๆจากแผ่นดินนี้เอ้าจากแผ่นดินนี้มีพระเจ้าย่อยอะไรบ้างอะ่ะต้นไม้เป็นพระเจ้าย่อยใช่ไม่ใช่วันนี้พอเรานั่งรถไปเราเจอเต็มเลยใช่ไหม เป็นผ้าแดงผ้าเขียวผ้าเหลืองพันไว้แล้วมีคนมากาบยังไม่พอยังหาหวยอีกอ่ะเอาล่ไปตัวขุดๆเจอตัวเลขไหมสมัยก่อนมีเรืออยู่ลำวันนี้หมดยังมไม่รู้นะเรือยาวเป็นไม้ตะเคียนสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเลยมึง่งแล้วก็ฝังอยู่ในดินพอเอาขึ้นมาคนไปบูชากันเต็มเนะี่ยนั่นน่ะ อลัลลอฮ์ถาว่าไปยึดเอาสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินเป็นพระเจ้าแทนฉันทำไมอ่ะยึดต้นไม้ยึดสัตว์ในอินเดียอ้าวคุณเฉลิมอยู่อินเดียมาฮินดูยึดอะไรวัวใช่หรือไม่ใช่บางคนยึดลิงใช่ไหมลิงก็มีครับอลัลลอ์แล้วก็อะไรจะยึดอะไรยึดยึดงูอลัอลลอ์อักบางงงูเป็นพระเจ้าเลย แล้วก็ยึดบอ่อ น, น, น, น้ํายึดแม่น้ำแม่น้ำในทะเลแม่น้ำโขงขาภาษาอุดูว่าห์กังกาโงงกาแม่น้ำโขงกาแม่น้ําคงขายึดต้นไม้ยึดแม่น้ําคงคายึดงูยึดลิงยึดสัตว์มาเป็นพระเจ้าแทนอัลลอฮ์สุภ า, า, ต, า Allah, ตักูวาตัอาลาอัลลอฮ์เตือนอัลกัตบิลกุรานไปยึดทําไมท่านนี่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดไปก้มลงกราบ ของที่อัลลอฮ์สร้างมามาบริการท่านเนี่ยไปการาบมันทําไมอัลลอฮฺอักบะดนี่นได้ปัญญาเยอะนะทำให้เราอย่าควรเป็นที่หลงอะไรงยง่ายๆนะปู่ย่าตายายเรายังไม่ให้หลงเลยคิดดูสิปู่ย่าทิรักที่รับอิสลามมาอันนี้ไม่มีปัญหาที่ปกป้องอิสลามไว้อันนี้ดีอยู่แล้วไอ้ของที่ทําอะไรเกินกว่านาบีเนี่ยต้องขจัดออกเพราะถูกขจัดปราบถูกด่าทันที ก็ต้องระวังต้องอดทนอันทีนี้ต้องการอธิบายว่าทั้งหมดจะเป็นอะไรนะเป็นไสต์ตอนกราบว่าเป็นไสต์ตอนกาบต้นไม้เป็นไสต์ตอนกาบลิงเป็นไสตอนกาบงูเป็นไสต์ตอนกาบดวงอาทิตย์เป็นไซต์ตอนกราบหินทั้งหมดเป็นไซตตอนเพราะไซตตอนนั้นในายครูอานอธิบายไงสำไมไซตอนเนี่ยต่ำต้อยสองไซตตอนถูกแช่งจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกแล้วประกาศมันทำไม อันที่สามชายตอนเนี่ยล่อลวงอาดัมเห็นยังครับชายตอนนี้ล่อลวงคนให้หลงผิษชายตอนเนี่ยขูว่าการบริจาคทําให้ท่านยากจนลงในคุณอานอธิบายทั้งหมดนะชายตอนล่อให้คนทําดินาไอ้มือถือเนี่ยเป็นส่วนส่วนส่วนอันตรายอ่ะอคิดถึงครุรักคิดถึงกิก๊กโทโทรฮล โ, โห ล, โหล บาปทั้งหมดนี่อคนไม่อ่านคุณอานไม่รู้เพราะชายตอมันยุอ่าวแล้วก็กุณอานนี่กุณอ่า น, นสอนมามูฮัมหมัดอิชัยตอนเนี่ยล่อให้คนทำซีน่าล่อให้คนคดโกงล่อให้คนหลอกลวงล่อให้มนุษย์สู่ความจาฮิ l i y ะอยู่แบบไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนอย่างอื่นเรียนได้หมดแต่อิสลามอย่าเรียนนี่ชายตอมันยุเลยนะ พอเรียนกุ่อานปับน๊บคณะใหม่อันนี้ก็กลัวสิไม่กล้าเรียนไม่กล้าเรียนหนังสืออื่นเรียนได้หมดนะร อ, ออักบัตต่อมาครับล่อมนุษย์สู่ความญาญีลาล่อมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยเห็นความชั่วเป็นของดีเห็นยางครับเรื่องอชัยตอนมันเก่งมากเลยนะมันทํามันสอนให้คนเนี่ยมองเรื่องชั่วชั่วเป็นเรื่องดีได้อ่ะอย่างเจอผู้หญิงเดิน เดินดุ่งน้อยผมน้อยเนี่ยใครมองไม่ดีมีไหมนอกจากคนที่มีอีมานเท่านั้นเองมองอันนี้ไม่ดีลดสายตามีกี่คนที่ลดแต่มีไม่มีแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่มองอุลโลทาไมมันดีอย่างงี้คัดุลิลาลาอลลถ้าไม่เรียนศาสนานะถูกใ้ตอนหลอกหมดสรุปง่ายๆก็คือว่า ไตรตอนเนี่ยถูกได้รับการประวิงเวลาเนี่ยเอารอบปวิงชตรตอนกับความชั่วเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปเพื่อไดเพื่อจะเป็นตัวให้มนุษย์ได้ใช้ปัญญาเนี่ยเอาต่อมาจะจบแล้วนะพวกโหรพวกไตรตอนอ่านี่กุอาญาณิอมิตตคดูยะอาลิฮะจัมมินลอารดิคนเชื่อโหรเชื่อหมอดูเป็นชตรตอนทั้งหมดแล้วก็ พวกกันค น, คนกาเฟตเนี่ยจะเป็นมิตรกับไซตตอนใช่หรือไม่ใช่ง่ายมากเลยกับพวกเราเลยไซตตอนมันกลัวนิดนิดแต่ถ้าเราเอายี่สบข้อไปใช้เมื่อไหร่นะไซตตอนจะหนีออกจาก บ, บ้านเราตลอดเวลายี่สิข้อข้อหนึ่งก็คืออะไรนะสมาเรื่งให้ยิม้มข้อที่สองให้อยู่กันเป็นจะมาะแล้วก็สอนสุนนะเขาเรียกว่าอิลติดามุญจะมาะ จัดกลุ่มแล้วก็สอนสุนนะพวกเราเนี่ยนะรักษากลุ่มเนี่ยไม่เป็นอันนี้ตะมีตำมีพวกเราเองนะสร้างกลุ่มเสร็จแล้วรักษากลุ่มให้อยู่เป็นเยมาอะไม่เป็นบางคนรักษากลุ่มชั้นหนึ่งเลยแต่ไม่ได้สอนสุนนะสอนเรื่องไม่ตรงข้ามกับสุนท่าหมดเลยผิดไหมเราไม่พอใจอใช้ตอนชอบนะ รักษากลุ่มในชั้นหนึ่งเลยโอ้วิธีปกป้องกลุ่มไม่ให้แตกเนมีวิธีหนึ่งสองสามสี่รักษาดีหมดเลยแต่ไม่ได้สอนสุนนะบางคนสอนเรื่องสุนนะอย่างดีแต่รักษาคนในกลุ่มไม่เป็นเห็นยังเหนื่อยหน้าเหนื่อยนะ่านะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเขาล้อกันว่าเหมือนกันข้อข้อที่สามใช้ตอนจะหนี พ่อแม่ลูกหลานอยู่ในบ้านรักกันไม่ทะเลาะ ก, กันนะใช่ตอนหนีจากบ้านนั่นนะอ๋อทำไหมทำได้ไหมทําได้สามีอย่าทะเลาะ ก, กับภรรยานะแล้วลูกอย่าทะเลาะ ก, กับพ่อแม่นะอยู่กันในบ้านรักใครกันอะไรหนีครับใช่ตอนหนีใครเข้าครับมาะอะกล้าเข้ามาอยู่ในบ้านเราห้ามดูเรียล้วเอาเอาไปสี่ข้อก่อนแล้วข้อสุดท้ายก็คือเรียนสุนนะรักษาสุนนะปกป้องสุนนะ แล้วก็เผยแผ่สุนทรคุท่านนบีใช้ตอนหนีหมดเลยครับสุภาพนกรลอฮุม่าบอกมว่าลอิลาะฮ์อิเลฮ์อันัุกวะตบอิไลก์วอสลามุอะลัยคุมบะละฮ์มัตุลลอฮ์ะบรกต